Book 2สามทรสการทำความรู้จักอีบบซีดสวัสดีค่ะสวิส์สวิกสวสวัสดีค่ะ ลับดิ้นสบายดีไหมคะค่ะคราสค่ะอิดคุณมาจากยุโรปใช่ไหมคะวายูส์สอสเตโนออเปปสคุณมาจากอเมริกาใช่ไหมคะวายูส์อสเตโนอเมริกัสคุณมาจากเอเชียใช่ไหมคะ I ū s e s a t o no ā z i s s s คุณพักอยู่โรงแรมอะไรคะ I o v i n ī c ā j ū s d z ī v o j a t คุณอยู่ที่นี่นานเท่าไหร่แล้วคะ I'll s j a u e s a t š e i t คุณจะอยู่ที่นี่นานเท่าไหร่คะ I'll use p a l k s i e t คุณชอบที่นี่ไหมคะไวยุมเชตปติกคุณมาพักผ่อนที่นี่ใช่ไหมคะไวยูสเตปวัดดาตอัตวิณายมมาเยี่ยมดิฉันบ้างนะคะอพเซมวยอตมันี่นี่คือที่อยู่ของดิฉันคะ่ะเตอิรมันอาเดรส เราพบกันพรุ่งนี้ดีไหมคะไวเมสรีเทรเซซิมิสขอโทษนะคะพรุ่งนี้ดีฉันไม่ว่างมังลอิติเอลเบตมันยอิร์ซิติปลานิลาก่อนค่ะอัตตอร์โลาก่อนค่ะอุซเชนส แล้วพบกันนะคะ